ดิสคอร์ดออนเรดิโอช่วงกาชาดนิวส์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะช่วงการชาตินิวส์วันนี้นะคะมีข่าวที่น่ายินดีมาฝากกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้โครงการโรคเอชแห่งสหาประชาชาติหรือยูเอ็นเอชได้จัดงานในหัวข้อนวัตกรรมที่ล้ำหน้าในการดำเนินงานแก้ปัญหาเอชในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน่าส่งจิตใจโรคเอชสภาคการชาติไทยเพื่อเชิดชูความสำเร็จที่โดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมและเร่งรัดการดำเนินงานแก้ปัญหาเอชในประเทศไทยและทั่วเอเชียแปซิฟิกค่ะ โดยมีนายมิเชลซิดาบีรองเลขาธิการสหาประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหาประชาชาติเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแดส่ศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยในฐานะที่เป็นผู้นำที่อุทิศตนในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิธีการป้องกันและรักษาเอชไอวีกว่าสามสิบปีค่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขายายไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ ในโอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิ์กรมหมื่นสุนทานารีนาตโปรดให้พูดแทนพระองค์ประทานใจการดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์กิติคุณในายแพทย์ประพันธ์ผานุพากด้วยนะคะ เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสภากาชาดไทยและสภากาชาดและสภาเ ส, สื่อวงเดือนแดงทั่วโลกค่ะต่างเฉลิมฉลองให้กับวันกาชาดโลกถ่ายใต้ธีม Love ความรักสภากาชาดไทยนะคะได้จัดงานวันกาชาดโลกโดยมีกิจกรรมรับบริจาคอหิ่งค่ะและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาการจัดแสดงนิทรรศาการภาพถ่าย Love ความรักเพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสดงความรักความทุ่มเทและการเสียสละ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครณสิ่งบริการโลหิตแห่งชาสภากาชาไทยค่ะและ ว, วันที่14มิถุนายนนี้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกคือวันที่ระลึกถึงคาร์แลนสไตน์เนอร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ง, งานบริการโลหิตของโลกค่ะสำหรับแนวคิดของวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ก็คือเซฟบัตร for all โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ คณะกรรมาการจัดหานและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาติไทยนะคะเริ่มกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิตประจำอย่างสม่ำเสมอช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจากกิจกรรมนะคะในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2562นี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคโลหิตเซลล์ต้นกำเหนิดเม็ดโลหิตอวัยวะและดวงตากิจกรรม Wall of Humanity กำแพงแห่งมนุษยธรรมเพื่อแสดงน้ำใจของผู้บริจาคโลหิตการร่วมเล่นเกมชิงรางวัลมากมายและการแสดงจากศิลปินดาราค่ะภายในงานก็ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับผู้บริจาคโลหิตอีกด้วยนะคะ ปิดท้ายนะคะสถาบันการพยาบาลศรีสวัลินธีราสภากาชาติไทยรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์มหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2562โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ทางสถาบันการพยาบาลศรีสวัลินธีราสภากาชาติไทยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงสนทนารอบรัวค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ถ้อยคำจากคนที่คุ้นเคยที่ใครได้ฟังจนคุ้นชินคุ้นชินคำธรรมดาที่ได้ยิน パクソクのユニアンのディグマンバイトイカンペンロイティエイベンデンカンウィセトイカンピセテキクランファン Some part that you can't be a good person. You can't be a good person. You can't be a good person. You can't be a g 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 ウィスティン、トイカンピセイ、チェキ タイトンクワンホンギャイ。カバンカムウィステイ。タコンピーステイ。ティネクレットドัマンティ。ヤカファンマンティー。テキクワンカサンパン。タイトンクワンホンギャイ。カバンカムウィステイ。タコกเล็テที่ดูโรแมนติกอยากขอฟังมัน ท็อปออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรั้วช่วงสนทนารอบรั้ววันนี้นะคะนำเรื่องอาคารวะชิรยานวงศสถานรักษาพระพิศสุทธิสมณเณรอาพาธแห่งแรกของไทยมาฝากคุณผู้ฟังกันคะ่ะ อ่าคารวัชิ poured alive เป็นสถานรักษา favour ofosure ปราธิกษูส ม, มาเนรศอาภาษฐของโรวมพย О Peng ปหมอสภ า, ยก า, ชาไทยค ت 頻道ทีะ่แข้ค品แม่ว่าปัจจจุบันอ่าคารนี้จะไม่ได้ใช้เพื่อการดูแลรักษา opportunities for us แต่มีประวั uan ที่น่าส онч psychological costs subsequent surprise 'Sализ Ahmad Rapa i active poles สัขส์มเนรกษอ از ิกษ์ называется สถานรักษ า, าพระภิกษุสามเณรอาพาธแห่งแรกของไทยนะคะหรือว่าอาคารวาชิระยานวงนะคะโรงพยาบาลสุราลงกรสภาการชาติไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อใช้เป็นที่พักรักษาอาการอาพาธของพระภิกษุสามเณรไม่ปะปนกับคารวะค่ะ และเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสพระชนูดปยาจารย์โดยใช้เชื่อาคานว่าอาคารวาชิรญาณก่อสร้างแล้วเสร็จในปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหกค่ะ ตอนมานะคะมีการสร้างอาคารสามาคัม net repayécdond เพื่อรองรับพระพย์ผิสุกสามันเหน็นอาภาษรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าผายหลังได้หลืดถอนอาคารนี้ออกไปค่ะเมื่ออาคารวชิรยาย ountain สุดโ diyorלים นะคะจึงได้สร้างอาคารใหม่ขึ้นในบรเวิ REWEN ที่เดิมนะคะชื่อว่าอาคารวชิรย mailbox writer นวงค่ะ อาคารหลังใหม่นี้นะคะมีทั้งหมดสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นสำหรับบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ชั้นที่สองสำหรับประกอบพิธีทางศาสนาชั้นที่สามและสี่เป็นสถานรักษาพยาบาลพระภิกษุสมัมมาเนตรอาภัสราค่ะ ปัจจุบันสถานรักษาพยาบาลพักพิสุสามเณรอาพาธนะคะได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น28ค่ะอาคารภูมิสุริมงขรานุสรณ์ซึ่งได้รับการตกแต่งให้มีบรรยากาศที่สงบและสวยงามสถานที่กว้างขวางสามารถรองรับพักพิสุสามเณรอาพาธได้ถึง28เตียงค่ะ เนื่องจากพระภิกษุสมณีอาพาธนะคะจะต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไปเนาะจากการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลแล้วพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยด้วยนะคะจึงมีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายค่อนข้างมากค่ะ สำหรับการเยี่ยมไข่นะคะสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติค่ะและสามารถใส่บาตรพระได้แต่ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าบางโรคนะคะจะจำกัดอาหารเฉพาะโรครวมถึงต้องได้รับการประเมินอาการก่อนเข้าเยี่ยมค่ะเมื่อพาพิสูจน์สำมานเณรมีอาการดีขึ้นสามารถกลับวัดได้ค่ะฝ่ายการพยาบาลนะคะก็ยังมีทีมนะคะโฮมเฮลท์สแคร์นะคะในการเข้าไปดูแลและแนะนำโยมผู้อุปถักต์ถึงที่วัดค่ะเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ หากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถกลับวัดได้หรือว่าไม่มีผู้อุปถัมภ์ดูแลโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเดีแล๋ยวร่วมกับสำนักสงฆ์ป่ามะขามจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสถานที่ดูแลค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายวัดพระภิกษุสา ม, มะเณรสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างเต็มที่และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญค่ะ สถานที่รักษาพระภิกษุ ส, สามเณรอาพาธนะคะสะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภ า, ษากาชาติไทยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ ส, สามเณรอาพาธนะคะมาตั้งแต่อเดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะพรักสักครู่เดียวค่ะแล้วพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะรายการเรสคอร์ดออนไลน์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 สอบถามโทษ 02-592-1991 หากความรักเป็นเดือนเพลงเจอก็คงเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งที่ฝังแล้วสึงใจหาความรักเป็นเดือนเพลง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 アッピンヤーフォンアッピンサ เปลี่ยนชีวิตฉันมากเกินกว่าฝันที่เคยดูมันไกลายอีกกี้นิยามคำว่ารักจะเปล่าเช่นไรแต่คำนี้ที่ฉันเข้าใจคำว่ารักนั้นคงไม่มีความหมายแต่ถาไม่ใช่มันไป コンビザ、セクニンコマイティングやい。 まあ、このパンで一緒に行くことはできない。น Rescote on Radio ช่วงความรู้คู่สุขภาพช่วงความรู้คู่สุขภาพนะคะมีเรื่องของนวัตกรรมกล่องปิดล็อกยาระงับปวดควบคุมพิเศษสำหรับเครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตนเองมาฝากกันค่ะ ปัจจุบันพบปัญหาการใช้งานของเครื่องให้ยา organizational Boden- ป่วดด้วยตรเองซึ่งยังไม่ต้อบโจทย์การใช้งานจริงหลายประการนะคะเช่นเครื่องให้ยาละงับป่วดส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับ Good evidence- Mirage อ feat. แกรถห spill ยา דyu grasp ฉีดยาซึ่งมีปริมาณสูงสุดก็คือ50 mm, but also the size of the mouth แต่ในทางปฏิบัติจริงผู้หน่วยบางรายอาจมีคว เมื่อผู้ป่วยต้องการปริมาณยาที่มากขึ้นทำให้ทีมพยาบาลนะคะต้องผสมและเปลี่ยนยาบ่อยขึ้นบางครั้งนะคะเกิดการรักษาไม่ทั่วถึงเพราะยาอาจหมดในช่วงเวลากลางคืนค่ะหรือช่วงที่พยาบาลกำลังดูแลผู้ป่วยอะไรายอื่นอยู่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายของยานะคะเพราะเครื่องให้ยาระงับปวดที่ใช้อยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานจึงจะต้องมีกล่องปิดล็อกหรือล็อกบล็อกค่ะ นอกจากนี้ค่ะบางครั้งนะคะเครื่องให้ยาระงับปวดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแบบมีกล่องปิดล็อกก็เป็นระบบล็อกที่เข้าถึงยาได้ง่ายและไม่ตอบโจทย์เรื่องกระบอกฉีดยาที่มีขนาดเล็กเกินไปค่ะ นางสาวพนชกรพิทักษ์ชัยวงศ์ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาลโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยจึงได้คิดคล้นและออกแบบกล่องปิดล็อกยาระ ง, งับปวดด้วยตนเองขึ้นมาใช้สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดค่ะซึ่งสามารถผสมยาได้ในปริมาณมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานเครื่องให้ยาระ ง, งับปวดที่ต้องมีกล่องปิดล็อกเพื่อป้องกันการสูญหายของยาและอย่างป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนั้นนำยาออกจากเครื่องมาใช้เองค่ะเนื่องจากยาที่ใช้รักษาเป็นยาควบคุมที่ ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นค่ะและนางสาวพนัสกรนะคะยัางได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งในเรื่องของปริมาณยาในตัวเครื่องความแข็งแรงทนทานของกล่องระบบการปิดล็อกที่มีรหัสเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเท่านั้นนะคะรวมถึงการออกแบบให้มีรูปทรงสวยงามกระชับรัดน้ำหนักเบาและสะดวกต่อการนำไปใช้งานค่ะ โดยเธอได้พัฒนาปรับปรุงตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด4รุ่นนะคะโดย3รุ่นแรกนั้นได้นำมาใช้งานจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและมีการพัฒนาปรับปรุงจนมาถึงรุ่นล่าสุดที่ไม่ได้ใช้แค่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้นค่ะยังนำไปใช้ในโรงพยาบาลเอ ก, กะชนด้วยเช่นโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะ ถึงแม้จะตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ยังไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ค่ะยังพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีน้ำหนักเบาและขนาดกระทัดรัดกว่าเดิมค่ะเพราะนอกจากการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยแล้วนะคะความสะดวกในการหยิบจับไปใช้งานของเพื่อนร่วมวิชาชีพก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะที่ท้าทายค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจผลงานนาวัตกรรมกล่องปิดล็อกอยาระ ง, งับปวดควบคุมพิเศษสำหรับเครื่องให้ยาระ ง, งับปวดด้วยตนเองสามารถสอบถามได้ที่หน่วยระ ง, งับปวดฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโทรศัพท์หมายเลขศูนย์สองสองห้าหกสี่ศูนย์ศูนย์ต่อแปดศูนย์ห้าหนึ่งสี่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีศูนย์เริงสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชง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 เวอร์ไวท์เว็บฟอเอสเอฟดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซีดอททีเอชรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเวอร์ไวท์เว็บดอทเรดิโอดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซีดอททีเอชหรือติชมรายการได้ที่เฟซบุ๊กคอมอาร์เอ็มยูทีทีเรดิโอหรือทางไลน์ออฟฟิเชียลอาร์เอ็มยูทีทีเรดิโอ